เรทุกคนก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตาหูจมูกลิ้นกายนี่มีไว้เพื่อรับรู้โลกภายนอกตาก็รับรู้รูปหูก็รับรู้เสียงจมูกก็รับรู้กลิ่นลิ้นก็รับรู้รสกายก็รับรู้สัมผัสนี่นคือเราผดทพัพทะและไม่ว่าจะรับรู้โลกภายนอกอะไร มันก็ส่งมาที่ใจใจก็ทำหน้าที่คิดทําหน้าที่รู้สึกแล้วคงจะสังเกตได้นะว่าเรารับรู้อะไรเนี่ยใจก็มักจะเป็นอย่างนั้นเช่นถ้าเกิดเราเห็นภาพคนกําลังอดอยากทิวโหวยก็เกิดความรู้สึกเศร้าสงสารในใจของเราถ้าเห็นภาพอุบัติเหตุรถยนต์ก็เกิดความเสียวสยองหรือว่า ว่าวิตกนะในใจจะเห็นเด็กกำลังร้องไห้ก็เกิดความสึกเศร้าในใจของเราแต่ถ้าเกิดว่าเห็นภาพคนกำลังสนุกสนานรื่นเริง ม, มันก็มีความยินดีเกิดขึ้นในใจรับรู้อะไรเนี่ยมันก็มีผลต่อใจของเรารับรู้สิ่งที่เป็นลบ ใจก็พลอยรู้สึกลบไปด้วยรับรู้สึกที่เป็นบวกใจก็พลอยเป็นบวกไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรู้อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจถ้าเราอยากจะให้ใจเราสงบใจเราเป็นสุขนะไม่ถูกแผดเผาด้วยความโกรธหรือว่าไม่ถูก กดดันด้วยความเศร้าหรือว่าถูกกระตุ้นเราด้วยความโลภความอยาอันนี้ก็มันก็โยงไปถึงว่าเราเลือกที่จะอยู่ไหนด้วยถ้าเราอยู่ในที่ที่สงบสงัดนะใจก็พลอยสงบหรือว่าสามารถจะเย็นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะข้อหนึ่งในโอวะะัตปฏิโมกข์คือว่า พิงนอนและนั่งในที่สงบในที่ที่สงดที่ที่เป็นโรมณีมันก็มีส่วนน้อมใจให้สงบไปด้วยรวมทั้งการรู้จักใช้หูใช้ตาใช้จมูกเนี่ยให้เป็นต้องรู้จักเลือกรับรู้สิ่งที่มันจะเกื้อกูลต่อการสร้างกุศลธรรมขึ้นมาใน ใ, นใจ แต่แล้วก็ตามเนี่ยเท่านั้นมันยังไม่พอนะเพราะว่าการรับรู้ของเราเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเราไม่ได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเราอย่างที่มันเป็นจริงบ่อยครั้งเราก็ มันก็มีการตีความหรือปรุงแต่งเราไม่ได้เห็นอย่างที่รูปปรากฏเราไม่ได้ได้ยินอย่างที่เสียงมากระทบหูเราเพราะว่ามันมีการตีความหรือปรุงแต่ง ซ้อนนะแบบเรียกว่าสนิทแนบแน่นเลยนะอย่างเช่นเห็นคนกระชึกกระซาบต่อหน้าเราเราก็อาจจะตีความไปว่านี่เขากำลังพูดถึงเรากาลังหรืออาจจะถึงขั้นมินทาเราแต่ความจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น หรือว่ามีคนบางคนเนี่ยมองหน้าเราจ้องเราเนี่ยเราก็อาจจะตีความว่าเขากำลังหาเรื่องเราก็ได้หรือเขากำลังไม่พอใจเราแต่ว่าความจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ แต่ว่าเราตีความไปแล้วนะแล้วส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้รับรู้สดๆนะหรือว่าอย่างที่มันเป็นนะแต่ว่ามันมีการตีความตีความในทางบวกก็มีตีความในทางลบก็มีซึงตรงนี้บ่อยครั้งมันก็สร้างปัญหาหรือสร้างความทุกข์ให้กับเรา เพราะการที่เราไม่ได้เห็นอะไรอย่างที่มันเป็นจริงๆมันมีตีมันมีการตีความในใจของเราหรือด้วยใจของเราและเราก็เผลอไปคิดว่าไอสิ่งที่จิตมันตีความเนี่ยนะมันคือความจริงแต่บ่อยครั้งมันก็เป็นแค่การปรุงแต่งหรือความคิดของเราเอง มีพระที่เบสนะท่านหนึ่งเนี่ยถ้าเราว่ามีคราวหนึ่งเนี่ยก็จะเดินทางขึ้นเครื่องบินนะที่สนามบินเนี่ยเขาก็มีการตรวจเอ็กซนะ่เข้าของโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ระหว่างที่กำลังรอนะ ข้าวของของท่านน่ที่กำลังผ่านกันเอ็กซเรย์เนี่ยท่านก็เหลือไปมองเห็นด่านรักษาความปลอดภัยอีกด่านนึงที่เป็นเป็นด่านสุดท้ายเนี่ยแล้วก็สังเกต ว, ว่ามีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งเนี่ยรูปร่างสูงใหญ่มีหนวดเฟิร์มเลยนะ จ้องมองมาที่ท่านจ้องแบบคอมเม็งเลยนะท่านเหลือไปมองหลายครั้งก็เห็นว่าเขายังจ้องไม่เลิกก็รู้สึกไม่เคยสู้ดีแล้วไม่หรือว่าคนนี้เจ้าที่คนนี้กำลังสงสัยอะไรเราหรือเปล่าถึงจ้องมองแบบนั้น แล้วยิ่งเห็นเนี่ยเจ้าที่คนนั้นจ้องมองมากเท่าไหร่เนี่ยโดยที่ไม่มีรอยยิ้มเลยนะนั mm ่น hmm. ท่านก็เลยนึกในใจว่าเนี่ย mm hmm. เขาคงจะสงสัยเราแล้วก็ยิ่งมองนะเจ้าที่คนนั้นก็ยิ่งรู้สึกนะว่าเจ้าที่คนนี้เนี่ยน้าเคียม แล้วก็ดูหยากระด้างหน้าตารูปร่างนี่เหมือนมาเฟียเลยจู่ๆเนี่ยเจ้าที่คนนั้นเนี่ยก็โทรศัพท์วิท ย, นะยุนะวิทยุภาคธิเบร น, นี่ก็คิดล้สงสัยว่าผงจะต้องมีอะไรแน่เลยแล้วก็จริงด้วยนะมีเจ้าที่คนใหม่เนี่ยเดินมา ที่ชายคนนี้แล้วก็พูดคุยอะไรสักอย่างแล้วเจ้าที่ที่มีหนวดเนี่ยก็ชี้มาที่ตัวท่านพอะที่วันี้ก็ใจเขาก็ไม่สู้ดีแล้วเจ้าที่คนใหม่ก็มาพอมายืนแทนเจ้าที่คนแรกเนี่ยที่มีหนวดเนี่ยเจ้าที่ที่มีหนวดนันก็เดินตรงมาเลยนะ แล้วก็เดินตรงมาที่ท่านนะแล้วก็ถามว่าคุณคือมิสเตอร์ยงเกใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่มีอะไรเหรอเจ้าชิวคนนั้นก็บอกว่าผมอยากจะขอบคุณคุณเหลือเกินนะเพราะว่านังสือของคุณนี่มันช่วยผมได้มากเลยนะอยากจะขอบคุณจริงๆเลย เท่านี้แหละนะพระศิบคือ ย, ยิ้มเลยนะแล้วเจ้าที่คนนั้นก็ยิ้มด้วยแล้วก็เขย่ามือกันนะเป็นมิตรเลยนะถ้ารู้สึกร้องอกขึ้นมาเลยนะนึกว่าจะมีเรื่องอะไรอ๋อที่แท้มาขอบคุณนะที่ได้อ่านหนังสือของเรานะที่แรกนึกว่าจะมาสงสัยมาค้นตัวอะไระสักอย่าง แล้วท่านก็พบว่าภาพของชายคนนั้นเนี่ยในสายตาของท่านเปลี่ยนไปเลยนะจากคนที่มีสีหน้าเคี้ยมกนะระด้างเหมือนมาเฟียเนี่ยกลายเป็นคนที่อารมณ์ดีใจดีสุภาพเรียบร้อยมีความเป็นมิตรแล้วท่านก็มาเอ็ดใจนะเอทำไมเนี่ย เรามองเจ้าที่คนนี้เปลี่ยนไปทีแรกนี่เห็นเป็นนะคนเหี้ยมเลยนะคนหยาบแต่ตอนนี้กลายเป็นเห็นเป็นคนที่เป็นมิตรนะมีน้ำใจแล้วก็มีความสุภาพนะก็คนคนเดียวกันนั้นนะแต่ทำไมเนี่ย เห็นต่างกันเลยนะแบบตรงข้างกันเลยหลังจากที่เขาม า, าทักทายแล้วก็มาขอบคุณอันนี้ก็มันก็เชื่อเห็นเลยนะว่าจิตของคนเราเนี่ยมันส่งผลมากต่อการรับรู้ทีแรกเนี่ยพอเห็นเจ้าหน้าที่คนนั้นเนี่ยจ้องมองเขาเมงเลยเนี่ย ที่จริงเขาก็ไม่ได้มีอะไรนะในใจนะแต่ว่าพระที่เบสท่านนี้เนี่ยท่านก็ตีความไปแล้วนะว่าเขาคงไม่ชอบเราหรือคิดไม่ดีกับเรานี่ตีความไปในทางร้ายแล้วนะไม่ได้เห็นอย่างที่เป็นนะพอตีความในทางร้ายว่าเขาคิดไม่ดีกับเราท่านก็เลยรู้สึกไม่ดีกับเขาเพอรู้สึกไม่ดีกับเขานะ ไอภาพของเขาที่เห็นในใจของท่านเนี่ยมันก็กลายเป็นคนที่ดูเที่ยมนะกระด้างเหมือนมาเฟียเหมือนอันธพาลแต่ว่าพอเขามีอากับกิริยาในทางที่เป็นมิตรนะมาขอบคุณมาขอบอกขอบใจความรู้สึก ข, ของท่านที่มีต่อเขาก็เปลี่ยนไปนะ แทนที่เห็นว่าเขาคิดไม่ดีกับเราโอ้โหที่แท้เขาขอบคุณเราพอรู้สึกดีกับเขานะไอภาพของเขาเนี่ยในสายต่างแท้ก็เปลี่ยนไปเลยนะกลายเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยมีความเป็นมิตรอันนี้มันเป็นสิ่งที่เชื่อเห็นแลนมาคนเราเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยเรารับรู้อะไรก็ตามเนี่ย เราไม่ได้รับรู้อย่างที่มันเป็นนะแต่ว่ามีการตีความแล้วถ้าเราตีความในทางลบนะว่าเขาคิดไม่ดีกับเราจิตมันก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีเลยนะพอคิดว่าเนี่ยเจ้าที่คนนี้เขาคิดไม่ดีกับเราเนี่ยท่านก็รู้สึกไม่ดีกับเขานะโดยอัตโนมัติเนี่ยพอรู้สึกไม่ดีกับเขาเนี่ยไอ้ภาพที่ท่านเห็นเนี่ย ภาพของเขาที่ท่านเห็นเนี่ยมันก็กลายเป็นภาพของคนที่นะดูดุร้ายดูเที่ยมมีการเติมแต่งนะมีการใส่สีและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับคนเราเกิดขึ้นกับเราในชีวิตประจำวันเรารับรู้อะไรเนี่ยเราก็ไม่เคยรับรู้อย่างที่มันเป็นนะแต่ว่ามีการตีความ ถ้าตีความในทางบวกก็ดีไปถ้าตีความในทางลบก็เกิดความวิตกเกิดความกลัวเกิดความเครียดเกิดความขุนมัวแล้วพอใจมีความวิตกมีความขุนมัวนะมองอะไรออกไปเนี่ยมันก็เห็นแต่ภาพในทางลบนะคนคนหนึ่งเนี่ยก็ถูกมองว่ากลายเป็นคนที่เหี้ยมนะ กลายเป็นคนที่กระด้างแต่พอใจมันเปลี่ยนไปนะความรู้สึกที่มีต่อคนคนนั้นเปลี่ยนไปให้ภาพที่เห็นหรือว่าภาพที่มองออกไปเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งตรงข้ามกันเลยผู้ยานุคือว่าไม่ใช่แค่ว่าเราเห็นอะไรใจก็เป็นอย่างนั้นนะ ในทางกลับกันเนี่ยใจเราเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็เห็นโลกไปในทางนั้นใจใจเราขุ่นมัวใจเรามีความเครียดหรือมีความรู้สึกเป็นลบโลกที่อยู่รอบตัวเราหรือคนที่อยู่ข้างหน้าเรามันก็ถูกเติมแต่ง ให้เป็นลบไปด้วยมีการใส่สนะีแต่ถ้าเรารู้สึกบวกกับเขานะไอภาพที่เห็นแล้วก็เปลี่ยนไปนะกลายเป็นบวกไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้โลกเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ใจของเราว่าเป็น เป็นอย่างไรด้วยนะบ่อยครั้งในเวลาเรารู้สึกว่าโลกมันหม่นหมองผู้คนไม่น่ารักเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าใจเราเนี่ยนะหม่นหมองหรือว่าใจเรามีความรู้สึกที่เป็นลบก็ได้ันั้นก่อนที่เราจะไปะตัดสินไปวิาพากวิจารณ์หรือไปมองว่าโลกมันแย่ บางทีเราต้องกลับมาดูที่ใจของเรานะว่าใจเราเนี่ยนะมันมีการเติมแต่งรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินหรือเปล่าในปฏิจจสุบาเนี่ยมันจะมีนะปัจจยการตอนต้นแลนะ้วที่บอกว่าเนี่ยวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณเนี่ย ที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งวิญญาณอย่างไรสังขารในที่นี้คือการปรุงแต่งหรือความรู้สึกนึกคิดในใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันก็ไปปรุงแต่งการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ทางตาทางหูทางจูกทางดิ้นทางกายหรือไม่ได้ทางใจถ้าใจมีความรู้สึก ในทางลบเช่นคิดลบหรือรู้สึกลบกับใครก็จะเห็นภาพคนคนนั้นเนี่ยในทางลบไปด้วยเห็นเป็นคนที่กระด้างเป็นคนที่เฮี้ยมเป็นคนที่ไม่น่ารักแต่ถ้าใจเนี่ยนะมีความรู้สึกเป็นบวกนะก็จะเห็นเขาเนี่ยเออเป็นคนที่เป็นมิตรเห็นเขาสุภาพนะ อันนี้ก็ไม่ตายจากเรื่องของคนผู้ชายคนหนึ่งหน้าที่ไปพักในโรงแรมเนี่ยแล้วก็ถอดไส้คอไนส้ทองพร้อมกับพระสมเด็จราคาแพงไว้ที่หัวนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่เจอม่ไม่ตื่นขึ้นมานะ ออกไปทําธุระตอนเช้าออกไปออกกำลังกายกินข้าวเสร็จก็กลับเข้ามาในห้องซ้อยหายไล้แควไปสงสัยนะพนักงานทําความสะอาดเพราะว่าในช่วงนั้นมีพนักงานทําความสะอาดนี้เข้าไปจัดเตียง ก็ตามหาจากใครเป็นพนังกางานทำความสะอาดพอเห็นเขาเนี่ยก็ปักใจเชื่อเลยนะว่าเขาเนี่ยขโมยเอาสร้อยคอไปแล้วก็เฝ้าสังเกตนะผู้ชายคนนั้นเนี่ยดูท่วงท่ามีพิรุษแววตาก็มีพิรุษไม่กล้าสบตาเขา ใช่แน่ๆเลยนะเอาสร้อยคล้องเราไปแต่ปรากฏว่าตอนสายๆหรือตอนบ่ายเนี่ยปรากฏว่าเจอนะเจอสร้อยเนี่ยมันตกอยู่หลังเตียงพอรู้ว่าชายคนนั้นเนี่ยพนังกงานทำความสะอาดไม่ได้ขโมยไปนะก็เห็นเขาใน ในภาพใหม่เลยนะเออก็น้ำเสียงเขาก็ไม่มีพิรุษอะไรนะเขาก็พูดจาดีอากับกิริยาก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรภาพของพนักงานธนาคารศาสตร์เปลี่ยนไปเลยนะจริงๆเขไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกเขาก็เหมือนเดิมแหละไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนสายหรือตอนบ่ายแต่ที่เปลี่ยนไปคือใจนะใจของผู้ชายคนนั้นเนี่ยทีแรกเนี่ย ปักใจเชื่อว่าพนักงานทำความสะอาดเป็นขมโมยพอคิดแบบนั้นเข้านะมันก็เห็นแต่พิรุธของพนักงานทําความสะอาดแต่พอรู้ว่าพนักงานทำความสะอาดไม่ได้ขมโมยไปภาพที่เห็นนี่ก็เปลี่ยนไปอันนี้แล้วว่าสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณ แล้วมันไม่ใช่พาะกรณีแบบนี้เท่านั้นนะในชีวิตประจาวันทั่วๆไปเนี่ยเวลาเรามีความทุกข์ความเครียดเนี่ยก็เราสึกว่าเป็นเพราะโลกภายนอกเป็นเพราะคนรอบตัวเนี่ยเช่นเราเห็นเขาไปในทางลบทางร้ายเนี่ยเราก็เลยเป็นทุกข์ให้ลองสังเกตดูได้ว่าบ่อยครั้งเนี่ยความทุกข์ของเราเนี่ย มันเกิดจากการที่เราตีความไปในทางลบหรือว่าเติมแต่งไปในทางร้ายหรือเปล่านี่ถ้าเรารู้จักมันสังเกตนะมันทบทวนเอาประสบการณ์ที่เคยเข้าใจผิดที่ตีความในทางลบหรือว่าเติมแต่งในทางร้ายเนี่ยและทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความวิตกเกิดความเครียดหรือว่าเกิดความไม่พอใจเนี่ยเอามาเป็นบทเรียนสอนใจในช่วยทําให้เรารู้จักทักทวงนะ พักทวงว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยที่จริงอาจจะไม่ใช่เป็นความจริงก็ได้เพราะว่ามันอาจจะมีการตรีความไปแล้วในทางลบหรือที่เรามองเห็นเนี่ยมองไปข้างนอกเนี่ยอาจจะมีการเติมแต่งไปในทางไร้ก็ได้ไม่ว่ารับเข้ามาจะเป็นรูปก็ดปล่นเสียงที่ได้ยินหรือมองออกไปเนี่ย มันมกักจะมีการนะตีความหรือเติมแต่งแล้วมันก็ไ ม, ไม่ไม่ต้องเป็นทางลบนะทางบวกก็ได้อันเนี้ยที่เขาเรียกว่าอัคตินะอัคติฉันทาคตนะิก็คือลำเอียงเพราะชอบอันนี้ก็หมายถึงว่ามองเห็นคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะเพราะว่ามีความชอบเขาทำอะไรก็ดูดีเป็นหมด ก็ทําแล้วก็ดูถูกต้องไปหมดฉะนั้นที่ไอ้ที่ผิดก็มีที่พลาดก็มีแต่ว่าไม่เห็นนะเพราะว่ามองเห็นแต่ด้านดีอันนี้เพราะว่าลำเอียงเพราะชอบหรือมิฉะนั้นก็ตรงข้ามนะโทสะคติลำเอียงเพราะโกรธหรือลำเอียงเพราะกลัวพยาคติหรือว่าลำเอียงเพราะหลง อย่างกรณีของพัทิเบศเนี่ยนะนท่านก็เกิดโทสากตินะทีแรกเกิดโทสากติก็เลยเห็นเจ้าที่ไปรักเจ้าราที่ทรษ า, าความปลอดความปลอดภัยคนนั้นนี่เขี่ยมดนะูเหมือนผู้ร้ายเหมือนมาเฟียแต่พอเข้ามาขอบคุณเข้ามาแสดงความเป็นมิตรนะ ก็เปลี่ยนไปแลวนะฉันทากติมาแทนโทสาะกะติก็เห็นเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นมิตรนะสุภาพเรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะสังเกตได้นะกับประสบการณ์ของตัวเราเองว่ามันเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่ากไม่ได้เป็นเครื่องตืินใจเราเพื่อไม่ให้เราเนี่ยทุกข์ที่สร้างขึ้นมาเอง วังครั้งความทุกข์เนี่ยเราไปมอว่าเนี่ยเป็นเพราะคนโน้นคนนี้แต่ที่จริงมันเป็นเพราะการปรุงแต่งการตีความในทางลบหรือว่าการเติมแต่งในทางร้ายของเราที่พระเจ้าตรัส ว, ว่าเนี่ยทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นผัวหน้านะสำเร็จได้ด้วยใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะว่าโลกภายนอกที่เราเห็น ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ความคิดเนี่ยมันรั้วแล้วแต่เกิดจากการหรือถูกกําหนดนะด้วยใจของเรานะถ้าใจเราเป็นลบนะมันก็เห็นเป็นลบถ้าใจเราเป็นบวกมันก็เห็นเป็นบวกนะเนั้นการกลับมาดูใจของเราเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าไม่อยากให้เกิดไฟเผาในใจของเรา ก็ต้องกลับมาสำรวจตรวจตาหรือสอดส่องใจของเราว่ามันมีอคตินะโทสากติพยาคติหรือเปล่าหรือมันมีการเติมแต่งไปในทางลบทางร้ายหรือเปล่าในงานเราก็จะสร้างนะหรือก่อทุกข์ขึ้นมาในใจของเราทั้งที่ความจริงไม่ได้เป็ น, น, น อ, อย่างนั้นอยางนี้นะิพพานนินะ